ปุญญาเนปรโลกัสมิงปฏิธาหอนติปาดิ น, นตี <c oughs> ดับต่อไปก็ให้พากันนั่งให้สบายให้ทุกคนให้นั่งสบายให้ภาวนาให้ภาวนาฟังธรรมะ เรือจะน้อมเอาธรรมะเข้าไปไว้ในดวงใจใจจะได้พองได้ใสใจจะได้สว่างสว้ยมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นบาปบุญคุณโทษวันนี้เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธยา้าท่านดับขันเข้าสู่พ ร, รีนิพาน เป็นวันตัดสรุและวันดับการเข้าสู่พิใพานเพราะนั้นพวกเราก็มารลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้แสงสว่างกระจ่างภายในจิตใจมีพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ชี้บอกแนวทางทางไหนคนเดินทางไหนไม่คนเดิน ทางไหนควรไปไม่ควรไปทางไหนถูกทางไหนผิดทางไหนดีทางไห น, น, นชั่วทางไหนเป็นบาปทางไหนเป็นบุญทางไหนเป็นบุญทางไหนเป็นคุณเป็นโทษนี่อาศัยพระพุทธเจ้า อ, อาศัยพระพุทธเจ้าที่แจง้งแสดงให้เราได้ยินได้ฟังอ่าเราฟังมาตั้งแต่อ่เราเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ เป็นสาวพุทธสั่งสอนลูกหลานให้เข้าวัดให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิภาวน า, าให้รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคนรู้จักโทษพ่อแม่เราสอนมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยนะเราจะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่เราความจริงนั่นมันพอรู้ๆกันเนี่ยเรื่องบาป ก็ดีเรื่องบุญก็ดีเรื่องคุณก็ดีเรื่องโทษก็ดีถ้าเราไม่น้อมนามาประพฤติปฏิบัติมาชำระสาสางจิตใจของเราให้ดีให้งามให้พ่องให้ใสแล้วใครจะมาปฏิบัติใครจะมารักษาใครจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้มันจเจริญในธรรมะได้เราเองล่ะจะต้องแจ้ไขเองเพราะจิเลสมันอยู่ในหัวใจของเรา ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลทีเลียอยู่ี่หัวใจบาปบุญคุณโทษก็ออกมาจากหัวใจใจตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเรารู้จักมีติมีปัญญาใช่ไหมเป็นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราใช่ผิดทางมันก็ทำให้เกิดเวนเกิดกรรม อ่ามันเกิดเวรกิดกรรมเราเองแหละทำเองแหละเวรกรรมมาจากที่ไหนมาจากการกระทั่งพระพุทธญาติวอกกรรมมโนาวัสติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมมันจะแยกแจกไปเองกรรมคือการกระทั่มากรรมคือการกระทั่ไว้ เมื่อเราทำไว้แล้วจะต้องได้รับผลแน่นอนไม่ช้าก็ต้องเร็วถ้าเรามีติมีปัญญาเราคิดได้อ่านออกเรารู้แล้วเราจะได้มีความกลัวมีความละอายต่อการกระทาบาปกรรมทั้งหลายเมื่อเรามีความละอายมีความกลัวแล้วเราก็ไม่กล้าทำบาปทากรรมเราจะสะจะสมต่บุญกุศลสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนเป็นกุศล สิ่งไหนนำมาซึ่งความสุขความเจริญทําให้จิตใจผ่องใสทําให้ใจมีความสุขทั้งไหนจะไปสวรรค์ได้ไปถึงพระนิพพานไดเน้เราจะน้อมนํามาประพฤติปฏิบัตินี่พวกเราก็พากันประพฤติมาอ่าพวกเราก็พากันประพฤติปฏิบัติมาอ่ามานมนานแล้วทานพวกเราก็ให้นี่รู้จักให้ทานแล้วศีลพวกเราก็ได้ยินได้ฟัง ครูบาอาจารย์น่ัก็ให้บ่อยเราก็รับไปไม่ทราบว่าได้กี่ข้อเราก็ต้องสํารวจตรวจตาดูว่าอสินห้ามีบริบูรณ์สมบูรณ์บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่เราต้องสํารวจตัวจตาด้วยอถ้าเราไม่ดูว่าสินเรามีเท่าไหร่สินของเราดีหรือไม่ดีมันด่างมันพ่อยมันมืดมันบอดตรงไหนเราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง อ่าเราต้องสำรวจตัวตาอ่าต้องดูรอบภาวนาให้มีสติให้มีปัญญาไม่ใช่ว่านั่งภาวนาหลับหูหลับตาให้โง่นะพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดนะคนที่ฉลาดนั่นอยู่ที่ไหนก็ดีอะอยู่ที่ไหนอก็สบายคนฉลาดก็จเจริญอ่าจะรักษาศินนั่งสมาธิภาวนาก็ทําได้เพราะอาศัยฌานฉลาด อาศัยความฉลาดถ้ามันไม่ฉลาดมันก็ไม่รู้ว่าจะรักษาประเภทไหนลักษณะไหนศีลของเราทั้งจะบร้อ่สุ์ได้นั่นพระเจ้าว่าแค่เราให้ทานรักษาศีลก็ไปถึงสวรรค์ได้แล้วถึงจะไม่ถึงพระนิพพานยังหลุดยังพ้นไม่ได้ยังถอดยังถอ น, ถอนจิเลตตัญหาอาตะวะไม่ได้ก็ขอให้ไปถึงสวรรค์ อย่าให้ไปตกนระกหมกไหมอย่าได้ไปเกิดเป็นผู้ผีปีศาจเป็นสัตว์สาราสิ่งนั่นมันทำอะไรไม่ได้พวกสัตว์ทั้งหลายนั่นมันไม่มีภูมิปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาสอนให้ทานก็ไม่รู้มันก็ทำไม่เป็นสอนให้รักษาสินมันก็รักษาไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิภาวนาให้บริกรมรมภาวนามันก็ไม่ได้น ะ, ะสัตว์มันตัวใหญ่ตัวดีขนาดไหน อดีก็ดีแบบสัตว์เจ็งก็เจ็งแบบสัตว์อมันภูมิปัญญามันแค่สัตว์เรานี่มันประเสริฐเลิศกว่าสัพพสัตว์ทั้งหลายอพระพุทธเจ้าท่านว่าไงนาะงพวกเรานี่เป็นผู้ประเสริฐเกิดขึ้นมาดีแล้วอมีบุญมีวัดนะมีบารมีแล้วเราต้องรักษาคุณงามความดีบุญบารมีที่เราสะสมมาอกว่าจะมาถึงวันนี้เราสะสมมาหลายภพหลายชาติแลายกัลและกรารนะโยม เรื่องของจิตใจไม่ใช่แก้ไขได้ง่ายๆนะไม่ใช่สํารับศาสร์สางไม่ใช่จะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้ง่ายๆนะมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยประพฤติปฏิบัติมานมนานแล้ว เ, เราถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจถึงเกิดศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมไสในทานในศีลในภาวนาพวกเราถึงได้อุตส่าห์พยายามบําเพ็ญคุณ ง, งามความดีพากันให้ทานรักษาศีล นั่งสมาธิภาวนาพิจารณาสังขารร่างกายพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังคืออะไรทุกขังมันอยู่ตรงไหนอนัตตามันเป็นยังไงมันต้องเรียนต้องรู้ต้องเข้าใจนะออนิจจังว่าแต่อเนจังมันไม่เที่ยงเป็นยังไงอะไรไม่เที่ยงเอนัสลกนร่างกายของเรามีอะไรเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างมันต้องดูนะออนิจจังไม่เที่ยงนะพระพุทธเจ้าสอนนะทุกขังมันเป็นทุก สังขารร่างกายเนี่ยมันแปรปวนมันเปลี่ยนแปลงแล้วแต่มันจะเกิดจะเป็นแต่ละมือแล้ววันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละภพแต่ละชาแต่ละสังขารร่างกายมันไม่จีรังยั่งยืนมันบอกไม่อย่าว่าไม่ฟังเรามันจะแก่มันก็แก่มันจะเจ็บมันก็เจ็บ <c oughs> เรามาอยากตายมันก็ตายไม่อยากพัดภาคจากกันก็ต้องจําเป็นจําใจ จะต้องพัดภาคจากกันไปเพราะฉนั้นเราต้องปฏิบัติต้องภาวนาต้องพิจารณาทุกวันดูสังขารร่างกายของเรามันเป็นยังไงมันเที่ยงตรงไหนมันเป็นทุกข์อยู่ตรงไหนอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขมันต้องรู้รู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักปล่อยรู้จักวางสังขารร่างกายพระพุทธญาณมันว่ามันว่าไม่ใช่ของเราหนาอย่าไปยึดนะอย่าไปถือนะ อ่าความเข้าไปยึดความเข้าไปถือนั่นแหละมันทําให้เกิดทุกทุกเพราะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดเพราะเราไปถือเพราะเราสําคัญมั่นหมายเราปรุงเองแต่งเองสําคัญเองว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เ ป, ตว เ, ปตวเป็นมุขคนพระพุทธเจ้าว่าไม่มีสัตว์ไม่มีมุขคนคไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นแต่แค่สมมติอ่าล่อสายอยู่ในสมมติเฉยเฉยว่าเป็นเราแม้เราไม่มีพระพุทธเจ้าอ่ะ เขาก็มีเราก็ไม่มีถ้าเราคิดได้อ่านออกว่าไม่มีเราไม่มีเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันเขา้าอ่าเป็นรูปเป็นนามเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายก็สมมติว่าเป็นคนเป็นผู้เป็นคนเช่นนั่นอ่ะเรามายึดมาติดแค่เนี้ยที่ทำให้ทุกข์แล้วทุกข์อีกที่เวียนว่าตาเกิดกับพ่อความยึดความถือความไม่ปล่อยไม่วางความเสียดายในธะาตุในขันในะสังขารร่างกาย เพราอความเข้าใจผิดชิดผิดเห็นผิดเรามาพิจารณาเรานั่งสมาธิภาวนาเพื่อจะแก้จิตใจความเข้าใจให้มันถูกต้องอ่ตามความเป็นจริงอนิจจังให้มันเห็นชัดเจนทําไม่เห็นความไม่เที่ยงแล้วมันอยากจะเกิดมาทําไมมันมีความพอใจตรงไหนดูทุกอย่างก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงสังขารร่างกายก็ไม่เที่ยงสมบัติพัฒนาเงินทองเข้าของมันก็ไม่เที่ยง ความรักก็ไม่เที่ยงความช่างมันก็ไม่เที่ยงสุกสิ่งทุกสิ่งทุกประการมันไม่มีอะไรจะเที่ยงอ่าใจมันก็ปล่อยได้ว่างได้มันจะไปยึดมันจะไปถือไปทำไ ม, มดูแล้วพิี่ณาแล้วทุกวันดูวันทุวันมันลงตัวทุกวันว่านี่ก็ไม่เที่ยงนี่ก็ไม่เที่ยงความจริงมันจริงอ่ะจริงไหมเที่ยงไหมไม่เที่ยงไหมนี่พระพุทธเจ้าจะพิี่ณานี่นะทางไปพระนิพพานอก็นี่คือให้พิี่ณาอานิจจัง ทุกขังให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นหน้าตาถึงพระนิพพานเลยถ้าไม่เดินตามสาเนี่แล้วมันถึงพระนิพพานไม่ได้เราจะไปพระนิพพานต้องปล่อยได้ต้องวางได้ต้องละได้ต้องถอดต้องถอนความยึดมั่นหรือขันสังขารร่างกายอุบัทานมานาทิฏฐินั่นต้องถอดต้องถอนต้องปล่อยต้องวางต้องละให้ใจมันสว่างให้ใจมันสวายสวาย ให้ใจมันรู้เท่ารู้ทันในธาตุในขันในสังขารร่างกายกําหนดดูอ่ามีแต่ธาตุาสี่ดินน้ํำลมไฟมีแต่สมมติแค่นั้นเมื่อเราพิจารณาทุกวันทุกวันเห็นแต่นิจังเห็นทุกขงังเห็นนะัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราลูกก็สมมติพัว ก, ก็สมมติเมียก็สมมติพ่อแม่ก็สมมติตึกบ้านบ้านตลาดก็สมมติเป็นของเราอ่าแค่เป็นของเราชั่วระยะยังไม่ตาแค่นั้นนะ เป็นอยู่เป็นช่วรยะหนึ่งช่วรชวระยะหนึ่งที่ยังมีลมหายใจเข้าอกอกพอตายแล้วมีอะไรเป็นของเรามีใครดเดาเงินทองไปได้คนที่ตายไปก่อนเราเป็นสักดีเป็นพยานเงินทองมีมากมายมหาศาลมีใครบ้างเอาไปได้สังขารร่างกายเนี่ยหนังมังสามีใครหอบห า, หามไปได้กระดูคิดเดียวยังเอาไปไม่ได้ทำไมเราต้องมายึดมาถือ ทำไมจะมาทุกนเนื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสังขารเรื่องกายมาลักมาชอบมาเย็ดมาถือมาติดอยู่ในแช่นี้ของที่มาเป็นสารของที่ไม่เป็นแก่นสารนี่พระพุทธเจ้าพิจารณาทุกวันนู่วั น, วนเมื่อเรากำหนดเรานั่งสมาธิภาวนากำหนดดูให้ทั่วสละพางร่างกายให้มองเห็นทุลุปูเป่งป่งว่าทุกสิ่งทุกประการมันไม่ใช่แล้ว พระพุเจ้าว่าไม่ใช่พิ่นาแล้วก็ไม่เห็นไม่มีหาทั้งวันก็ไม่มีตัวมีตนไม่มีเรามีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลสักวันหนึ่งอสร้างธาตุขันสังขารร่างกายของเราอ่าที่ว่าของเราของเรามันจะต้องแตกต้องสลายแต่หัวใจนี่มันไม่แตกมันไม่สลายใจมันไม่ตายน่ะใจมันไม่ตายสิ่งที่มาแตกมันสลายมันเปื่อยมันเน่าคือธาตุสีดินน้ำลมไฟ เนื้อหนังมังสานี่พอหมดลมหายใจมันก็เปื่อยกันเน่าจะเจ็บไว้ไม่มีใครต้องการไม่มีใครอยากได้เอามาทำประโยชน์ทำอะไรก็ไม่ได้นั่นน่ะธาตุสีดินน้ำลมไฟสังขารร่างกายเราทำไมจะต้องมายึดมาถือแค่นี้เราปล่อยราวางไม่ดีเรอเราจะมาแบกปัหามายึดมาถือบนันดาลใการที่ยึดที่ถือแค่นั้นมันทุกโยมมันทุกภาคอุปทานความยึดมั่นถือขนัน เมื่อเราพิณาไปพินามาความยึดมั่นถือขันอุปทานมันลดลงลดลงลดลงอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่มันรู้มันเห็นมันก็ค่อยปล่อยค่อยวางค่อยลดค่อยละใจก็สว่างใจก็สวัยอสว่างสวัยมองเห็นทุกสิ่งทุกประการใจก็เบากายก็เบากายก็มีความสุขใจก็มีความสุขเพราะใจมันไม่ยึดไม่ถือจะอยู่ก็ได้ตายไม่เป็นไร สังขารร่างกายรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครหนีไปที่ไหนได้จะหนีไปที่ไหนไม่พ้นไปที่ไหนไม่ได้แม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้เป็นศาสดาเอกของโลกก็ยังนี้ไม่พ้คนความแจกความเจ็บความตายไหนพวกเราทั้งหลายจะอยู่ได้ไปถึงวันไหนโยมอย่าคิดว่าเราจะพ้นความแจ่ความเจ็บไปได้นะ จะอยู่ดีกินดีเทคแครดูแลดีขนาดไหนร่ำรวยสวยงามหล่อเหลาสักพันใดมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพของสังขารไม่มีใครจะหลบจะหลีกที่จะหนีไปที่ไหนได้เพราะนั้นเราพิี่ณาทุกวันนู่วันนู่วันเมื่อมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยได้วางได้เอสังขารมันจะแตกเกิดับไม่เป็นไรเอเราจะรู้และเข้าใจแล้วเอถ้าเราปล่อยเราวางได้แล้วเออ อะไรจะพาเรามาเกิดอีกเพราะใจมันไม่ยึดไม่ติดใจมันไม่ถือเอมันปล่อยได้แล้วว่างได้แล้วเสียสละได้แล้วทุกสิ่งทุกประการมันมองเห็นเป็นธรรมะธรรมะย่อมชนะอธรรมถึงจิเลตมัญจะนาแน่นจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงธรรมะแล้วอ่จิเลตมันพังทลายเอเราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นนาจาริเลตมันจะอยู่ตรงไหนได้ นี่มันไม่เห็นจริงมันบ่นเฉยๆบ่นว่าทุกข์บ่นว่าไม่สบายมันบ่นเฉยๆมันเบื่อเฉยๆมันไม่เบื่อจริงถ้ามันเบื่อจริงแล้วไม่มีใครที่จะมาเกิดอีกหรอกถ้ามันเบื่อจริงเห็นจริงแล้วมันก็ปล่อยกระวางได้จีเรตมันก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยมันก็ถอยทับออกไปเป็นใจที่ว่างเป็นใจที่ โปร่ใสเป็นใจที่อยู่เหนือโลกเหนือสงสารเหนือสมุติทั้งหลายเอทุกวันเนี่ยเรามาอยู่ในกับสมมติเอเห็นสมมุติว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งที่สําคัญอ่ามันยึดมันติดอยู่แค่ในหลงอยู่แค่นี้เราภาวนาไปภาวนามามันจะเห็นว่าโอ้นี่มันแช่สมมุตินออ่าเราจะมายินดีพอใจไปทำไมสังขารร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วให้นั่งภาวนาให้ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นโทษมันก็มีความพอใจมีความยินดีจะพอยจะวามันก็เสียดายอยู่อมันยังยึดยังถือยังมั่นใจอยู่ยังเสียดายอยู่เสียดายอะเสียดายธาตุขันอทั้งๆที่แกก็เห็นอยู่เจ็บก็บเห็นอยู่ตาก็เห็นอยู่มันก็ยังไม่วายที่จะยึดจะถือจะสําคัญมั่นหมายนั่นคือความเข้าใจผิดชิดผิดเห็นผิ ด, ผด เรามาพิจารณาเช่เนี่ยยมพิจารณามันดูวันนูวันลองดูก็ได้พิจารณาไปพิจารณามามันจะรู้มันจะเข้าใจวันนนิดวันน่อยเมื่อมันรู้มันเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยได้วางได้จะอยู่ก็ไม่เป็นไรธาตุขันมันมองเห็นเลยมันรู้ในหัวใจธรรมะมันย่อมชนะอธรรมธรรมะมันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะ ผู้ปฏิบัติได้มันสบายไงมันสุขไงมันปล่อยได้ไงมันวางได้ไงไม่ต้องไปสงสัยคาใจไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกถ้าเราเข้าถึงธรรมะแล้วมันมีความสุขมีความสบายมันปล่อยมันวางได้แบบไหนมันวางแบบไหนปล่อยได้แบบไหนละได้แบบไหนมันจะรู้เองเข้าใจเองธรรมะมันเป็นปัจจตังอสําหรับคนที่ประพฤติได้ปฏิบัติได้คนที่เข้าถึงธรรมะแล้ว ไม่มีปัญหานั่นน่ะ <c> ภ <oughs> พชาติมันก็นหมดไปเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเรามีสติมีปัญญามีโอกาสมีเวลายังไม่เลดยังมีเวลาอยู่เราพยายามพยายามนั่งพยายามภาวนาอย่าลดอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางอย่าท้ออย่าถอยอย่าพัดวันประกันพุ่งวันเวลามันผ่านไปผ่านไปวันนี้ก็ผ่านไป เดี๋ยวก็จะเบียงบายไปแล้วสังขารร่างกายของเราเกิดมาปูนปันนี่แล้วมันจะอยู่ได้ถึงจีเดือนจีปียังไม่ทราบเลยความตายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันตายได้ทุกโอกาสได้ตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกสถานที่ตายได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่ว่าหนุ่มสาวก็ตายได้จะคิดว่าแกแล้วทีงจะตายนะ อ่ายังไม่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันก็ตายได้ตายแล้วมันมีอะไรโยมมันมีหลมันน่าพอใจไหมน่าสลดใจไหมเห็นไหมเวลาไปงานศพเวลาไปดูคนตายเนะี่ยมันน่าสลดใจถึงจะสวยจะงามถึงจะลอยจะเหลาถึงจะมีเงินมีทองสักปันไดมันก็น่าสมเพชเวทนามันน่าสงสารเมื่อยังมีชีวิตชีวาอยู่ก็โอ อเชื่อว่าวิเศษวิโสพอหมดลมหายใจเราความวิเศษวิโสความดีอยู่ที่ตรงไหนสังขารร่างกายจะเอาให้ใครจกให้ใครมีใครต้องการมีใครอยากได้ไม่มีเลยนั่นมันน่าสลดใจไหมคนที่จะอ่าไปส่งก็ไปส่งถึงแค่กองไฟจะไปด้วยกันกับไปไม่ได้ตัวใครตัวมัน่่ะอาพ่อกับไปด้วยไม่ได้แม่กับไปด้วยไม่ได้ ญาติพี่น้องไปด้วยไม่ได้ลูกหลานไปด้วยไม่ได้เงินทองมีมากมายหมหาศาลจะยึดจะยกจะใส่มือแต่ปากให้ถึงแค่กองไฟไฟไม่หมดยังไม่ควดไปเขี่ยไปแย่งกันมาอีกมันน่าสลดใจไหมสิ่งที่จะเป็นเพื่อนเราได้ที่จะติดตัวเราไปได้นั่นคือบุญกุศลที่เรากับทำบำเพ็ญ น, นั่นบุญมันมีแน่นอนให้เราเชื่อตรงนี้นะโยม บุญมีแน่นอนบาปมีแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปต้องเชื่อนะ่ะจะทำมากทำน้อยก็ได้ทั้งนั้นแหละได้รับผลทั้งนั้นไม่ว่าทางสูงและทางต่ำไม่ว่าทางบุญและทางบาปถ้าเราเชื่อในเรื่องนี้ล่ะเราจะได้มีความกลัวมีความละอายเราจะได้สะสมคุณงามความดีเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทสะสมบุญขึ้นทุวันทุวัน เมื่อเราไม่ประมาทเราทําคุณภาพความเพียรให้ทานรักษาศิ่นั่งสมาธิพวามนาทําจิตใจอเยือกให้เย็นให้สงบเมื่อจิตมันสงบดี๋รู้มันเข้าใจนะโยมเมื่อจิตมันสงบมันรู้มันเข้าใจมันปล่อยได้วางได้เสียสละได้ให้อภัยได้นะเวลาจิตมันสงบเวลาใจมันสบายแล้วมันให้อภัยได้เสียสละได้มีใครต้องการอะไรให้ได้ยกให้ได้นั่นแหะ ธรรมะมันสูงไหมดีไหมชนะได้ชนะความตื่นเนี่ยนั่นคนสนะความร่วมความหลงเอที่มีอยู่ภายในจิตใจเมืเรามาน ม, มานานมันชนะได้อย่างใครต้องการอะไรเป็นอะไรนี่ให้ได้ทุกสิ่งแม้สังขารร่างกายมีคนต้องการยกให้เป็นทานได้ขนาดนั้นนะ่ะธรรมมันสูงขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมาดานะถ้าเราเข้าไปถึงแล้วไม่มีปัญหาแล้วมองโลกนี่ มันเห็นหมดทุกสิ่งทุกประการอ่ะมันสุขมันทุกข์มันดีมันไม่ดีมันรู้มันเข้าใจโอ้โลกสงสารมันมีแค่นี้เนาะแต่ละมื้อละวันเนี่ยอวันก็แค่นี้วันนี้ก็อย่างนี้อ่ะคนสุขคนสบายมันวิเศษวิโสขึ้นมาอะไรบ้างแต่ละมื้อแต่ละวันความสุขก็แค่นี้ความทุกข์ก็เป็นอย่างนี้สังขารร่างกายนับวันที่มันจะสลดสุ่โทมอ่าเราใช้มันมาอาศัยมันมา มันมีลิมิตมันมีลิมิตเรืองกัรเน่ะสังขารร่างกายมันอายุการทำงานของมันอย่างมากก็ร้อยปีก็ต้องสูุสูุสรมก็ต้องแตกก็ต้องสลายถึงจะหยุกจะยามันก็หยุกไม่ได้ยาไม่ได้รักษาไม่ได้อ่ามันก็ต้องแตกมันก็ต้องสลายเหมือนกับบ้านของเราใช้มานานมันเก่าบันแจ่แล้วหลังคามันรั่วฝาผนังมันทะลุเพื่อนมันอาศัยไม่ได้ เราจะอยู่ได้ยังไงล่ะอะไรก็นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้กันแดกก็ไม่ได้กันฝนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าขันสังขารร่างกายของเราเหมือนกันอ่ะเวลามันแจ้จริงๆมันอาศัยมันไม่ได้นะเนื้อหนังมังสามันก็สุรุสุโสอมกาลังมังสามันสุรุสุโสมตามันก็สุรุสุโสมหูมันก็ไม่ดีตามันก็ไม่ดีมันมิจะไม่เที่ยงทั้งนั้นอ่ะ ตามันก็ไม่เที่ยงโอมันก็ไม่เที่ยงกำลังมังซามันก็ไม่เที่ยงมันลดน้อยถอยลงไปการเดินการเหินการไปการมาการอยู่การจินมันไม่เหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันแต่พวนเปลี่ยนแต่งเห็นไหมพิจารณาบ้างหรือเปล่าเราจะมาแจกน้อมดูคนแจ่เอาคนแจกที่มาเป็นสักขีมาเป็นพยานเราจะเหมือนได้น้องเ็มาเป็นธรรมะ อ่าคนที่แจกเราอยู่นานไปไม่ตายมันก็แจ่เหมือนกันแ่ะคนแจ่มันเป็นยังไงมันสุขหรือมันทุกข์มันสบายหรือมันไม่สบายอ่าเราอยู่นานไปก็แจกไปแจไปแจไปแจไปเอาไปมาก็หมดกำลังมังสาแล้วอ่าเอาไปมาก็หามเข้ากองไฟนะ่ะไฟไหมเท่านะั้นโยมมีอะไรลูกก็ช่วยไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยกันไม่ได้ตัวใครตัวมัน บุญกุศลกับของใครของมันอ่ ะ, อะเวลาจากโลกนี้ไปเราก็เป็นบุญกุศลที่เราทำเอาไว้ก็เป็นสมบัติของเราเราไม่ทำเราก็ไม่มีเร้าก็ไม่ได้ถ้าเราทำเอาไว้บุญกุศลนั้นอ่ะจะเป็นเพื่อนเราะจะได้ติดตัวเราไปได้ทุกภพกทุกชาติเหมือนกับเงาเราไปที่ไหน เงาย่อมติดตัวเราไปทุกได้ไปได้ทุกแห่างทุกสถานที่บุญกุศลที่เรากระทำบาเพ็ญอยู่ในหัวใจเพราะใจนี่มันไม่แตกใจนี้มันไม่สลายเราทำดีเอาไว้ทำบุญเอาไว้สร้างคุณธรรมเอาไว้มีบุญมีบารมีบุญบารมีอยู่ในหัวใจเวลาตายก็ไปดีไม่ได้ไปเป็นเปรเป็นผีเป็นสัตว์นรลกไปเกิดบนสวรรค์นอนพักผ่อนนอนสบาย หนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับร้อยปีในโลกมนุษย์มันไม่ดีกว่าโลกมนุษย์เลยจะมันยินดีแค่นี้เหรออยู่บนสวรรค์นี่สุขสบายเมื่อจิตติจากสวรรค์มาเกิดโลกมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีเป็นลูกเศรษฐีกระดุมพีมีเงินมีทองมีสมบัติพะสดานมีทั้งข้าทาสปริวานมีทุกสิ่งรูปการมันมาจากบุญนะไม่ใช่มาจากการกระทั่บาปนะ คนที่มีบุญอยู่ในโลกนี้ก็ดีตายไปก็ไปดีมาเกิดดีมาเกิดดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีญาติพี่น้องก็ดีพวก็ดีภรรยาก็ดีลูกก็ดีบ้านก็ดีรถก็ดีอะไรดียศถาบรรดศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่มันมาจากบุญมาจากบารมีความสุขความเจริญมันมาจากบุญนะเพราะนั้นเราสะสมบุญนี่ให้เรามีความอบอุ่น คนทำคุณงามความดีคิดมาเวลาไหนมันมีความสุขน ะ, ะมันมีความสุขถ้าเราไปทำบาปนะ่อยคิดมาเวลาไหนใจมันเศร้าใจมันหมองใจมันขุ่นมัน ม, วมัวหาที่พึ่งหาที่ความอบอุ่นไม่ได้มันสิกันนะรัะะทุนาั์คุณงามความดีเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขคิดมาเวลาไหนอบอุ่นภายนาจิตใจตายไปแล้วเราก็มั่นใจว่าเราไม่ อาจจะเราจะไปที่ไหนไม่ต้องสงสัยว่าตาเราจะไปที่ไหนเพราะบุญเป็นของสูงเป็นของเบสเดิร์ดเลิศกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกในสงสารแลนะบุญเป็นที่พึ่งบุญเป็นของสุขเป็นของเจริญอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนสบายคนที่มีบุญคนไม่มีบุญน่ะอยู่ที่ไหนเป็นทุกข์อยู่ที่ไห น, น, นมีปัญหาอยู่ที่ไหนไม่สุขอยู่ที่ไหนไม่สบาย น, นั่นเราจะเอาบุญหรือจะเอาบาปเราจะไปทางไหน มันมีอยู่สองอย่างมีบุญกับบาปเท่านั้นแหละอถ้าเราต้องการบาปแล้วก็ทําบาปแล้วต้องการบุญแล้วก็ทําแต่บุญบุญก็เพิ่มขึ้นทุกวันนวันบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่การกระทําเหมือนกับพวกเราทําทุกวันเนี่ยพวกเราให้ทานเนี่ยด้วยจิตด้วยใจด้วยศรัทธ า, ด, าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสอเรารักษาศีลด้วยจิตด้วยใจด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อความเลื่อมใส รักษาสินบริสุทธิ์ผุดพองสำรวจตรวจจัสินข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามันก็ไม่มากไป่มาไม่หนักไม่หนาไม่ออะไรสามารถที่จะทําได้ทุกผู้ทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะไปสวรรค์ไปได้ทุกคนมีสิทธิ์ไปได้ทุกคนทําไมเราไม่อยากจะไปทําไมเราไม่อยากจะได้ของดับของดีอ่ะเราไม่ทํำเราไม่เอามันก็ไม่ได้นะอยากแล้วต้องเอา เราต้องการเราต้องหาต้องเอาต้องสะตสงสมคํามจ้องบําเพนคุณงามความดีบุญบารมีนั่นอ่าต้องทําเอาไว้เพราะว่าภพชาติของเรายังมีอีกต่อไปนะมันไม่จบแค่นี้เพราอใจมันยังเมื่อยยังบอดยังรุ่มยังหลงยังคิดไม่ออกอ่านไม่ได้อ่ายังภาวนาไม่เห็นความเป็นจริงมันก็ยังรุ่มยังหลงยังติดยังคล้องยังคาในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในโพธิ์จะพะนั่งภาวนาใจบางทีกับสงบบ้างไม่สงบบ้างสบายไม่บ้างไม่สบายบ้างเพราะนั่นเราต้องมีความตั้งใจมีความพยายามอุตสาห์พยายามแต่ละเมือ่อแต่ละวันตื่นขึ้นมาให้นึกถึงอ่าให้นึกถึงคุณงามความดีเอเอเราเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้เราตื่นขึ้ น, นมายังมีชีวิตชีวาคิดวา่าเดายังมีบุญมีวาสนา มีโอกาสมีเวลาจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้า ง, งคุณงามความดีเอราต้องคิดเรื่องความดีคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลเอาบุญมาเป็นอารมณ์ของใจชี้ตื่นขึ้นมาคิดแต่เรื่องบุญบาปมันก็เข้ามาแสกแตงไม่ได้เราคิดเรื่องบุญทำแต่บุญก็เลยเป็นนิสัยอุปถนิสัยเกิดขึ้นมาทำแต่บุญทำแต่กุศลถ้าเราทำบาปมันก็ไปทางบาปเราทำบุญมันก็ไปทางบุญ มันมีอยู่สองทางเดินเท่านั้นนะ่ะเพราะนั่นเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วอย่าพากันปรมมัดอย่าพากันปมัมมัดชาติเกิดขึ้นมาดีแล้วตาก็ดีหูก็ดีสติปัญญาก็ดีัตภาพร่างกายไม่พิกลพิการไม่ใบบาทเสียจิตผิดมนุษย์ก็เพาะบุญบรรา ร, ารามีเราสะสมเราทำบาเพ็ญมาเพราะนั่นบุญกุศลที่มีอยู่พลัคงความดีที่มีอยู่ อย่าไปทำลายอย่าทำให้มันสูญหายพยายามปฏิบัติพยายามดูแลแทคแกลักษาให้มันดีให้มันเจริญเอบุญกุศลยังไม่เป็นที่พึงพอใจกพยายามสะสมทุกวันทุกวันทุกวันโพนาพุทโตพุทโตด้วยบุญ่อ่อามันก็ไม่ยากนะตื่นขึ้นมากําหนดนั่งสมาธินั่งห้านาทีสิบนาที กำหนดดูจิตกำหนดดูใจใจมันจะปรุงจะแต่งมันจะไปที่ไหนดึงมันเอาไว้บังคับมันเอาไว้อย่ามันปรุงมันแต่งใจให้มันเป็นหนึ่งใจมันเป็นเดียวอย่าให้มีอดีตอย่าให้มีอนาคตอย่าให้มีอสองให้ใจเป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งใจเป็นสมาธิแล้วมันจะสงบมันจะเยือกจะเย็นมันจะมีความสุขนั่งทั้งวันก็นั่งด้ นั่งทั้งวันมันก็นั่งได้เพราะใจมันมีความสุขอทุกคือเรื่องของทุกขสุขคือเรื่องของสุขเราจะรู้เองแ่ะเวลาจิตสงบแล้วมันอยากจะนั่งอยากจะภาวนาอยากจะหลับตาอยากอยกระหนุดดูใจใจมันปรุงมันแด่งมันพิจิตรยังไงดูไปดูมาดูมันเนี่ยดูมันเพิดมันเพลินดูแล้วมันมีความสุขมมีความสงบมันมีความเยือกเย็นเอเราต้องพยายามอ่าทําให้ได้ แต่และ ว, วันละ ว, วันอย่าพากันชี้ชียัดชี้มันไม่ดีหรอกให้เราชำระสัตสางให้เราอดเราทนเราจะทำอะไรแล้วต้องอดต้องทนต้องตั้งใจต้องมีความพยายามน ะ, ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยความพยายามอาศัยความตั้งใจขวันฝายก็รทำบำเพ็ญเอาเราอยากได้เราอยากมีเราต้องขยันเราต้องมันเทียน พยายามปฏิบัติพยายามรักษาจิตยพยายามรักษาใจใจมันจะไม่ได้ชิดได้ปรุงได้แต่งในใ น, นกุศลกรรมรักษากายให้ดีรักษาวาจาดีรักษาใจดีดูมันเมื่อเราปฏิบัติเราดูแลกายก็เป็นคนที่เรียบร้อยใจก็ดีวาจาก็ดีกายก็ดีแล้วบาปกรรมมันจะเกิดมาจากที่ไหน ปกตินี่บาปมันเกิดมาทางวาจาเกิดขึ้นมาจากทางใจ เ, เกิดขึ้นมาจากทางกาย เ, เรารักษากายรักษาวาจารักษาใจดีแล้วบาปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะแทรกแซงไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาในจิตในดวงจิต ด, ดวงใจของเราได้เราดูแลเทคแครรักษามันอยู่ดูมันอยู่รักษามันอยู่เหมือนกับเรามีลูก เราต้องดูแลจะปล่อยปะละเลยนั่นมันก็จะเป็นคนดีไม่ได้เพราะมันมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง อ, อบรมสั่งสอนจะให้มันเป็นเด็กที่รู้เด็กที่ฉลาดเด็กเป็นดีมันเป็นไปไม่ได้มันต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องอาศัยที่เรื่องนางนมพยายามบอกพยายามสอนอจากมันดื้อจากมันไม่ฟังจากมันไม่ดี สอนมันทุกวันนูวันนูวันเมื่อมันเชื่อมันฟังมันเป็นเด็กที่ดีเป็นลูกที่ดีพ่อแม่แสนจะดีใจอ่านี่เรื่องการประพฤติการปฏิบัติใจมันดื้อ่าใจของเรามันดื้อน่ะมันไม่ฟังน่ะอ่ามันถูรู้ถูกังเมื่อเราเอาธรรมะมาเตือนเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเอาธรรมะมาข่มเอาธรรมะมาขัดมาเกามาพินิจพิจารณานอกว่าธรรมะมาประพฤติปฏิบัติ ใจก็ค่อยเยียกค่อยเย็นค่อยสว่างสวยค่อยลดค่อยละค่อยปล่อยค่อยวางสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ทำได้สิ่งที่ละไม่ได้ก็ละได้สิ่งที่ปล่อยวางไม่ได้ก็ปล่อยวางได้เราแสนถ้าอยู่อยู่เป็นสุขน ะ, ะแต่ก้อนนี้แพ้จิเลตตลอดเวลาเวลามันโมโหโทโศขึ้นมานี่โอ้ยตาดำตาแดงเป็นทุกข์มากบัดนี้เรามาประพฤติเรามาปฏิบัต พยายามปฏิบัติพยายามรักษาพยายามอบรมสั่งสอนเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาอบมารมมาสั่งมาสอนเป็นใจที่สง่างามเป็นใจที่ว่านอนสอนง่ายเป็นใจที่มีความละอายต่อบาปกรรมเป็นใจที่อ่อนน้อมร้อมตัวไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อไม่ดึงมีใจใจเป็นผู้ที่รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษ รู้จากสูงรู้จากต่ำรู้จากดีรู้จา ก, กชั่วรู้จากการกระทำคุณงามความดีเราก็อยู่เป็นสุขแสนที่จะดีแสนที่จะสบายนั่นเมื่อเราอบรมดีแล้วมันสบายนะครูบาอาจารย์ทั้งกไมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสาววกเจ้าครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะดีมาตั้งแต่วันเกิดนะทังก็มาฝึกมาอบรมสั่งสอนเอาธรรมะของพระพุทธองค์ มานอมนำมาประพฤติปฏิบัติเพียรแล้วเพียรอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเอี่ยความความภาคความเพียรพยายามอดทนต่อสู้สู้ไปสู้มาเพียรไปเพียรมาละไปละมามีสีมีปัญญาแก้ก้าศรัทธาแก้ก้ามันก็สามารถที่จะรู้สามารถที่จะเข้าใจสามารถที่จะปล่อยจะวางได้ทุกสิ่งดระการมันไม่สุดเดียวิสัยนั่นทุกคนมีสิทธิทุกคนทําได้ นั่นเราอยากคิดว่าเออเราบุญน้อยวาสนาน้อยบุญมันน้อยวาสนาน้อยทำ ม, มันทุกวันน่ะมันก็มากขึ้นมาได้น ะ, ะน้ำอยู่ในองค์ในตุ่มของเรามันไม่น้อยเราเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันน่ะเราเทเข้าไปเพิ่มทุกวันทุกวันทุวันุวันมันก็เต็มไปด้วยน้ำได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันเราคิดว่าโอ้บุญเราน้อยเนาะวาสนา บารมีของเราเนี่มันน้อยต้อยทาไม่สามารถจะรู้จะเข้าใจจะพืชประพืชบัตรได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเราก็คนคนหนึ่งเราสามารถทําได้ครูบาอาจารย์นัานําได้เราก็ทําได้ครูบาอาจารย์นั่นก็มีจิเลสหน้าตาตัวเดียวกันมีราคามีโทสะมีโมหะมีความโลภมีความโกรธความหลงมีธาตุมีคันมีสังขารนั่งกายมีทุกขเวทนา ท่านก็อดท่านก็ทนทรมานทั้งสังขารร่างกายทรมานทั้ง จ, จิตใจต่อสู้สู้ไปสู้มามันก็ชนะได้นั่นเมื่อเราชนะได้อะมันมีความสุขแล้วจะสุขยิ่งกว่าธรรมะไม่มีในโลกในสงสารนี่วันนี้ก็แสดงธรรมะมาพอประมาณขอฝากธรรมะนี่ไว้กับลูกกับหลาน ให้น้อมนำไปภาวนาพุโทโธพุธโทโธอย่าลืมพุโทโธเอาพุโทโธก็ได้ไปสวรรค์แล้วไม่ได้ยากนะดีก็ไปบน่น ไ, ไปด่าลูกหลานไปบ่นลูกบนหลานบ่นให้ผัวสามีภรรยามันไม่ได้บุญนึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเอาพุโทโธไปแน่หัวใจ นั่นไหละเราก็จะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอขอบุญบรารมีคุณงามคุณดีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมาอปูกคองคุ้มคองปูกป้องศรัทธาญาโยทั้งหลายก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเจริญในธรรมะเจริญในบุญในกุศล เกิดขึ้นมาแล้วก็ขอให้เป็นคนดีตลอดไปโดยตัวหน้ากันเถินสาธุ